ทีนี้ต่อไปนะกลยานมิตรเพราะถึงพร้อมด้วยสติก็คือเป็นผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรอบคอบคือสติอย่างเยี่ยมเป็นผู้ระลึกได้จำได้แม้สิ่งที่ทำแม้คำที่พูดนานมาแล้วคือสามารถแยกแยะพฤติกรรมได้อะว่าโอ้วันนี้เนี่ยพูดเนี่ยมีโทษไหมหรือไม่มีโทษ การกระทําที่ทําไปมีโทษหรือไม่มีโทษสา ม, มารถระลึกทบทวนได้นะคือสา ม, มารถทบทวนพฤติกรรมของตัวเองว่าที่ทําเนี่ยเป็นกุศลไหมดีไหมมีโทษหรือไม่มีโทษสา ม, มารถที่จะแยกแยะได้และนะผู้ที่มีสติก็สา ม, มารถที่จะปารว่าขณะนี้เนี่ยควรปฏิบัติธรรมะหมวดไหนจึงจะสมควร น, นั้นในการเจริญกุศล น, นั้นๆถ้าคนมีสติจริงๆจะรู้ด้วยนะ อย่างเช่นรู้ด้วยนะว่าถ้าเราอยู่ตรงนี้เนี่ยควรจะเจริญกุศลธรรมอย่างไรฟังดูแล้วคล้ายๆปัญญาเหมือนกันนะอ๋อสติกับปัญญาที่จริงเป็นธรรมะคู่กันคือคือถ้านเราเข้าใจว่าสติคืออ่าเป็นเรื่องของการระลึกได้อย่างเดียวเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะสมกับสตินะเช่นพเพราะว่า <c oughs> สติต้องเป็นเรื่องของกุศลหมด ตอนนี้ไอ้การที่เรานึกอะไรขึ้นมาได้เนี่ยมันเป็นอกติสนเนี่ยมันมีเยอะแยะเลยมันก็นึกขึ้นมาได้เหมือนกันใช่ไหมครับชแต่มันแตกต่างกันตรงที่ว่าเขานึกขึ้นมาในลักษณะที่เขาวิจัยได้ว่ามันเป็นมันเป็นประโยชน์หรือมันเป็นมันคุณหรือมันโทษใช่ไหมครับฐานสติเนี่ยนะเพื่อที่จะเป็นฐานให้กับปัญญาคือเพราะว่าสติกับปัญญานั้นเป็นธรรมะคู่กันเรียกว่าปหูปการกตธรรม คือทำที่มีอุปการะมากสติกับสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นถ้าระลึกเพื่ออะไรเพื่อสัมปชัญญะสินั่นแหละก็อันเนี้ยเห็นความแตกต่างกันนะแล้วผมเองผมก็เคยสอบถามผู้รู้มาหลายท่านก็ยังไม่กระดับความกระจ่างผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยสติกับพิติ ก, กาเนี่ยโอ้มันก็คล้ายๆกันนี่เนาะเจนพรที่แท้มันมันไม่ใช่ไม่ใช่ อ, อ อันนี้ก็หมายความว่าท่านนองเน้นอีกทีดีครับว่าถ้าสติเนี่ยมันมันเป็นเรื่องระลึกขึ้นมาแล้วก็รู้คุณรู้โทษรู้อะไรควรไม่ควรยังไงบ้างครับที่ที่กล่าวไว้ที่ชัดๆไว้ในหลักฐานมีมีอธิบายที่ไหนบ้างถ้าหากว่ากล่าวตามลักษณะนี้ก็ต้องนึกถึงในพระสูตรที่พระราหุรที่พระผู้มีพระภากสอนพระราหุลใช่ไหมว่าราหุลให้ทบทวนกายกรรมที่เคยทามา มีโทษหรือไม่มีโทษวจีกรรมที่ทำมามีโทษหรือไม่มีโทษมโนกรรมที่ที่เคยประพฤติมาเนี่ยมีโทษหรือไม่มีโทษถ้ากายกรรมที่มีโทษนะให้ไปทำคืนกับาศาสดาภาษาศาสดาเป็นต้นคือทาคืนว่าผมมีโทษในเรื่องนั้นนะ น, น ะ, ะถ้าเป็นพระวินัยนะครับไปเป็นอาบัติมานะต้องไปทำคืนก็ต้องไปแสดงว่าท่านผู้เจริญครับพระเจ้าต้องอาบัติชื่อนี้ นะครั บ, ร บ, รบพระพะพเจ้าขอแสดงคืนอบัต้นั้นแล้ว บ, บอกการกระทำมันั้นแก่ท่านเออท่านเห็นยังท่านเห็นอบัตนั้นหรือครับผมเห็นออขอให้ท่านสำรวมระวังต่อไปนะดีแล้วท่านผู้เจริญผมจะสํารวมระวังต่อไปนี่เขาเรียกว่าเป็นอบัตที่เป็นไปกายกรรมวจีกรรมต้องแสดงคืนแต่ถ้าเป็นไปกับมโนกรรมให้อธิษฐานจิตสมมุติถ้าเราไปคิดไอ้คิดอย่างนี้เนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะ เ, ออเดี๋ยวจะไม่คิดแบบนี้อีกต่อไปต้องคิดอย่างนี้เลยนะ พอมีสติปุ๊บกำกับด้วยการย้ําแบบจะไม่คิดอย่างนี้อีกต่อไปนั้นสติเนี่ยเป็นตัววินิจฉัยแยกแยะว่าควรทํำยังไงอันนี้ก็มากความว่าพระพุทธภาคให้พระราหุลเนี่ยระลึกสิ่งเหล่านี้ดูถูกไหมฮะเป็นการระลึกอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะ้วลึกแล้วก็วินิจฉัยดูว่าอะไรเป็นประโยชน์อนไรไม่เป็นประโยชน์นใช่ไหมฮะที่เราลองมาดูนะฮะสติเนี่ยนะครับจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยมีลักษณะสติอย่างไงบ้าง เช่นถึงเวลาแล้วเรามองดูนาฬิกาเนี่ยนะครับว่าเราจะต้องมาฟังธรรมเนี่ยขณะนั้นเนี่ยมีสติแล้วพราะเกิดกับกุศลสติเขาจะวินิจฉัยแล้วนี่ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปฟังธรรมเป็นเรื่องของประโยชน์นะไปฟังธรรมเนี่ยคือไม่ต้องคิดก็ได้ก็รู้แล้วใช่ไหมครับเชว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตนะเราไปฟังไอาการที่เราลึกขึ้นมาได้อย่างนี้ใช่ไหมเป็นลักษณะของสติเช่นพายใยครับหรือว่าสติที่เป็นเรื่องของบิรัตเนี่ยบังเอื้อเรากําลังจะพูด เอวัจีทุจริตออกไปเนี่ยนะครับแล้วเราก็นึกขึ้นมาได้เจนนพะแต่นึกได้เนี่ยรวดเร็วมากๆเลยใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าอืนี่มีโทษนะเจนพแต่ก็มันต้องเท่าอย่างนี้เพราะว่าชํานาญแล้วใช่ไหมก็วิรัษได้ถ้าระลึกปุ๊บเนี่ยนะถ้าผู้ได้อบรมสัมปชัญญะสี่ปั๊บจะรู้เลยว่ากิจนั้นๆควรปฏิบัติอย่างไรใช่ไหมจึงจะเป็นสาธกษ์สัมปชัญญะ จึงจะเป็นโคจรสัมปชัญญะจึงจะเป็นส ป, ปายสัมปชัญญะหันสตินี่เป็นตัวระลึกเพื่อให้เพื่อเกื้อกูลต่อปัญญาเป็นฐานให้กับปัญญาเพราะฉะนั้นสติขันบิรัตนนี่ก็เห็นชัดเลยนะครับตอนนี้ถ้าสติเราต้องเจริญเมตตานะการที่ระลึกขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ยนะะก็หมายความว่าตัวสติเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เลยครับว่า อ, อากุศลจิตไม่ดีนะ การให้กุศลจิตเกิดมากๆดีเพราะฉะนั้นเริ่มเจริญเมตตานี่ก็เป็นสติแล้วขณะที่กําลังเจริญเมตตาอยู่ตลอดเวลาขนาดนั้นเรากล่าวได้ว่ามีสติ ต, ตลอดเวลาขณะที่เมตตาจิตเกิดสติเกิดตลอดนะเพราะถ้าสติที่เล่าวันเราว่าเข้าใจ ง, ง่ายๆจริงๆมันก็ไม่เฉ่งง่ายเหมือนกันนะคือถ้าเจริญกุศลจิตบ่อยนะสตกิก็ไม่ยากนะถ้าจิตเป็นอกุศลมากๆเนี่ยสตกิก็ยากงนเพราะฉะนัะ้นถ้า เอาเป็นว่าเราต้องรู้เป็นพื้นก่อนว่าถ้าเป็นเรื่องของกุศลทั้งหมดจะต้องเป็นสติหมดจะ ต, ต้องมีสติเกิดร่วมด้วยตลอดใช่ไหมครับใช่เนี่ยเอาเอาแค่นี้ก่อนนั่นแหละคือถ้าสติไปดีขึ้นนะนจะปาราถึงศ า, าสตะกะสัมปชัญญะเป็นต้นเนี่ยนะคือถ้าเป็นสตินะถ้าเป็นสติที่ได้รับการอ บ, บรมมาเนี่ยจะต้องเป็นไปเพื่อสัมปชัญญะนั่นแหละนะถ้าเป็นสตินะระ ล, ลึกเพื่เพื่อที่จะให้สัมปชัญญะได้ ได้ทํากิจของเขาเลยปัญญาก็จะวิจิตรฉายเกินเลยาาาศาสตร์กะสัมปชัญญะคืออะไรผลได้ผลเสียที่ใช้คําว่ า, า, า, าศาสตร์กะสัมปชัญญะเพราะมันกว้างใช่ไหมในธรรมะเจ็ดหมวดชีวิตของเราก็คือมีมีอยู่แค่เจ็ดเรื่อง อ, ะอ่ะจะไปจะมาหนึ่งใช่ไหมจะต่อไปอีกจะไปจะมาคู่เข้าเหยียดออกก็คือการขยับตัวทั้งหมดนั่นแหละต่อไปอะไรในการนุ่งห่ม ทนะายอุจระประสะัสสะการรับประทานอาหารการพูดการคิดนะการแต่งตัวเป็นต้นนะพวกนีก้การเจริญลักษณะนี้ปรารบถึงว่าประโยชน์ของสิ่งนั้นนั้นคืออะไรนะเพราะฉะนั้นสติเขาก็ทำให้เขาอ้วนได้นะด<ช>ูสติเนี่ยสามารถนะทำให้มันอ้วนสมบูรณ์ได้นะพ่อคูณได้นะทำให้พอคนที่สติน้อยๆนะแสดงว่าสติยังผอมอยู่ ว่าทกุศลไม่ค่อยได้มากกายคตาสติเนี่ยนะเป็นธรรมะหมวดหนึ่งที่ควรเจริญมากนะกายคตาสติที่ควรเจริญอีกข้อหนึ่งก็คือวันนี้เนี่ยปารอบถึงเรื่องของการแปลงฟันอ่ะโดยปารอบถึงถึงเรื่องของสตินะว่าคำสอนกล่าวถึงเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็ปารอว่าการที่มือขยับแปลงเนี่ยเป็นวายจิตชาวาโยทา ที่ทำให้เกิดการแปลงจิตชาวายโยจิตที่ทำให้เกิดการแปลงเนี่ยถูไปถูปมาเนี่ยเป็นจิตชนิดไหนถ้าไม่ปารลธรรมะนะรู้ที่ว่าอากุศลแทบทั้งนั้นเลยนะอย่างน้อยๆต้องเป็นไปกับโลภะเสร็จแล้วปุ๊บนะถ้าเราแปลงอย่างนี้โดยที่ไม่พิจารณาคำสอนนะเราเรียกว่าอากุศลเราเกิดตลอดเวลาที่เราแปลงฝัน ท่นสติจะเกิดขึ้นแลลึกปับ๊บประโยชน์ของการคําสอนเนี่ยกล่าวแล้วลึกถึงคําสอนปั๊บว่าคําสอนกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ว่าอย่างไรเสร็จแล้วก็ปารสในลักษณะกายยัคตาสติต่อไปอีกใช่ไหมว่าแปลงที่ไปถูฟันเนี่ยแปลงก็ไม่รู้ว่าไปถูฟันฟันมันก็ไม่รู้ว่าถูกแปลงเนี่ถูกไปฟันนี้ก็ไม่รู้ว่าเหงือกนี้อุ้มมันอยู่มันก็ไม่รู้ว่าเหงือกนี้อุ้มมันอยู่ใช่นไหมต่างฝ่ายต่างไม่รู้ซึ่งกันและกันเลย แล้วจะเห็นว่าโอ้นี่คิดทั้งนั้นเลยเนี่ยและจะเห็นว่าโอ้แม้แต่ความรู้เหล่านี้เป็นมโนวิญญาณที่มันั่งมาตรึกลักษณะในนี้เราก็จะเริ่มพิจารณาธรรมะไปบ่อยๆนะถ้าหากว่าผู้ที่อบรมปฏิกูลสัญญามาก็จะใส่ใจโดยความเป็นปฏิกูลต่อไปอีกหรือผู้ที่อบรมาธาตุกรรมฐานก็จะพิจารณาเรื่องาธาตุมากขึ้นนี่แสดงว่าสติเขาวินิจฉัยแล้วว่าถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้ไม่ตึกอย่างนี้อากุศลไปกินเลี่ยม เจริญพก็ถ้าไม่เจริญอย่างนี้เสียหายเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องสติเป็นเรื่องที่ควรจะต้องหาอาหารให้เยอะๆนะครับเป็นจนเป็นสติภระใช่ไหมครับเจริญสติสติภละสตินีสติสัมโพชฌงเป็นสตินีแล้วก็สัมมาสติจริญพสติได้ทั้งหลายอย่างเป็นสติประธานด้วยแล้วก็เป็นสัมมาสติด้วยนะแล้วมิจฉาสติมีไหมเออน่าสนใจเนาะ ขณะที่ระลึกไปเป็นไปกับสภาพจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นมิจฉาสติขณะที่ระลึกแล้วสภาพจิตขณะนั้นเป็นบาปเป็นอกุศลท่านสงเคราะห์เป็นมิจฉาสติซึ่งอาที่จริงแล้วมิจฉาสติไม่มีองค์ธรรมเฉพาะแต่ขณะที่จิตเป็นไปกับอกุศลชื่อว่าเป็นมิจฉาสติหมดเลยที่เป็นมิจฉาสติเพราะขณะนั้นประมาทละเพราะเป็นไปกับอกุศลเรียกว่าประมาท พระ อ, องค์กล่าวว่าผู้ที่ประมาทคือคนตายแล้วดังนั้นขณะไหนถ้าเรานึกถึงพุทธพจน์บทนี้ปั๊บนะถ้าไม่มีสติเราคือศพเดินได้ว่าเป็นภาลธรรมเป็นคนที่มีชีวิตแค่หายใจเข้าหายใจออกในขณะนั้นนั้นนะไม่ง่อเงยในกุศลในขณะนั้นนะชีวิตขณะนั้นเนี่ยเป็นชีวิตที่น่าสงสารที่สุดหถ้าหากว่าเราปาเราบอโอพระ อ, องค์กล่าวว่าชีวิตของคนที่ไม่มีสติเป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วนั่นแหละ นี่เราก็จะนึกว่าอพอองค์กล่าวตำหนิโทษไว้ขนาดนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเราก็มาคิดดูนะถ้าจิตขณะนั้นเป็นไปกับโลภะอะไรจะเกิดขึ้นนะถ้าจิตเป็นไปกับโลภะโทษของโลภะเป็นยังไงบ้างถ้าขณะนั้นเป็นไปกับโทสะโทษของโทสะเป็นยังไงถ้าจิตเป็นไปกับโมหะอะไรจะเกิดขึ้นวัตตาของเราเมื่ อ, อไหร่จึงจะที่สุดสักทีนะึงโมหะนะเป็น เมื่อสัตว์อ บ, บรมเจริญมากแล้วพบภูมิของที่อยู่ของโมหะคือที่ไหนรู้ไหมสัตว์เดรัจฉานเดรัจฉานพบภูมิของโลภะ ค, คือปิติวิสัยพบภูมิของโทสะที่เป็นไปก็คือนรกนรกนั่นแหละโทษของสิ่งเหล่านี้มีมากมายมหาศาลแล้วก็บอกว่าขณะที่อกุศลเหล่านี้เกิดขึ้นมืดมิดถ้าเราพอภูมิมากๆขึ้นนะโหถามว่าเรื่องที่มันเสียหายทั้งหมดนะพ่อองค์กล่าวว่าภัย อุปัทถวะทั้งหมดเกิดจากคนพาลคนพาลก็เพราะว่าจิตของเขาเป็นไปกับโลพาโทสะโมหะนั่นแหละเขาจึงเรียกว่าเป็นพาลดันั้นภัยทุกชนิดเรื่องเสียหายทุกชนิดเกิดจากพาลธรัมนั่นแหล ะ, ละกเกิดจากไม่มีสติเกิดจากไม่มีสติดังนั้นถ้าเราไม่มีสติเราไปเกี่ยวข้องกับอะไรนะจะเสียหายทุกๆเรื่องเลยเกี่ยวข้องกับถ้าเราไม่มีสตินะเกี่ยวข้องกับผู้มีพระคุณเราจะไม่รู้ว่าคนนี้เป็น ผู้มีพระคุณเราควรประพฤติกับคนอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะหลักทิศหกจะเข้ามาถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่รู้ว่าทิศนี้ควรบำรุงยังไงนะถ้าเกี่ยวข้องกับทิศอเรียกว่าพ่อแม่เป็นทิศ ท, ที่ควรเข้าไปบำรุงควรเข้าไปออุปถากบำรุงเนี่ยถ้าเราไม่บำรุงปั๊บเสียหายแล้วเนีเกี่ยวข้องกับบุตรภรรยาถ้าเราไม่อนุเคราะห์เสียหายผิดอีกเกี่ยวข้องกับทาดกรรมกร ถ้าเราไม่ทํากิจของเจ้านายที่ดีเสียหายเองดังนั้นแต่และช่องก็เป็นช่องโวทั้งนั้นเลยถ้ามีสติ ป, ปุ๊บจะวินิจฉัยวินิจฉัยคุณโทษเหล่านี้ถ้าหาว่าเราประพฤติปฏิบัติในชีวิตเหล่านี้ไม่ดีเพียงพอระดับหนึ่งจิตของเราเป็นกุศลได้ยากเพราะมันจะมีช่องว่างหมดเลยเกือบทุกเรื่องมันไอเรื่องโน้นก็ยัง้งไอเรื่องนี้ก็คาเรื่องโน้นก็นไม่ดีแต่และกุศลจิตไม่สามารถจะเกิดอย่างต่อเนื่องปารา พระธรรมแต่ละหมวดแต่ละหมวดก็ยากเย็นแสนเข็ญสติจําเป็นที่จัอะไรเนอสติเป็นธรรมะที่จําปรารถนาใน<ต>ที่จงปวงยิ่งมากยิ่งดียิ่งมากยิ่งดีไม่มีเสียหายนะแต่ถ้าศรัทธาทำ ม, มากไปก็เสริมปัญญาเข้าไปอีกนะถ้าวิริยะมากไปก็เสริมสมาธินะถ้าสมาธิมากไปก็เสริมวิริยะถ้าปัญญามากไปก็ เสริมศรัทธาแต่สติเนี่ยเป็นตัววินิจฉัยว่า น, นี้ศรัทธามากไปนี้ปัญญามากไปแต่เขาบอกว่าถ้าเจริญวิปัสสนาหนะปัญญายิ่งมากยิ่งดีถ้าเจริญสมถะยิ่งศรัทธายิ่งมากยิ่งดีะนะแต่ความเพียร น, นี่ก็จะไปเกื้อกูลทำมากไปก็ไม่เหมาะนะักนะอย่างสติที่ที่เราเจริญสมถะนี่นะก็หมายความว่าตัวสติเนี่ยเขาจะวินิจฉัยแล้วใช่ไหมครับว่า อ, อือออกุศลมีโทษเยอะนะ ใช่ไหมรังเกียดอกุศลใช่ไหมอ้าว<จ> น, นี่านการมีโทษนะใช่ไหม <จน S 2> ทำไมยิงจะหลีกพ้นจากการมได้นะจึงได้มาหาอารมณ์ที่มันทําให้ใจนั้นเนี่ยเป็นกุศลใช่ไหมครับพันจะต้องคํานึงถึงโทษของเรียกว่าจะเจริญธรรมะหมวดไหนนะต้องเห็นโทษของการไม่มีคุณธรรมอันนั้นก่อนและเห็นคุณของการมีคุณธรรมอันนั้นก่อนเช่นผู้ที่เจริญเมตตาเนี่ย ต้องเห็นโทษของโทสะเขาเรียกว่ารอบรู้เรื่องโทสะมากเห็นคุณของเมตตามากถ้าไม่ได้สองตัวนี้เข้ามานะการเจริญของเรารู้แล้วว่าไม่ไม่ได้กี่น้ําหรอกเพราะงั้นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือว่าถ้าเราจเจริญเมตตานะฮะเราต้องเห็นโทษของโทสะนี่นะครับถ้าเห็นเออเห็นโทษของโทสะมากเท่าไหร่นะโอกาสที่จะเจริญเมตตาได้ก็บ่อยครั้งมากจนทอ จ, จะเห็นคุณค่าของเมตตาเท่านั้นเจริญพ ก็ลองพิจารณาดูนะคะ<ช>รับสหลือเวลาอีกนิดหน่อยว่าเมื่อสติท่านเกิดนั้นท่านลองพิจารณาดูสิว่ามันเป็นไปตามนี้ไหมคือเห็นสภาวะธรรมที่มันเกิดกับตัวเราจริงๆอย่างนี้ไหมถ้าเราได้ยินอย่างนี้ท่านอาจารย์ก็กล่าวไปกล่าวไปบางทีเราก็ผ่านไปก็คือเข้าใจแล้วตอนนี้นะแต่ว่าถ้าหากว่าวิเศษที่สุดก็คือว่าเออจะต้องมีสักขณะหนึ่งเราจะอืมตัวนี้สติฮะตัวนี้เราเป็นตัววินิจฉัยนะอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษเนี่ยนะ หรือเราไลงับยับยั้งได้นี่อยากคิดว่ายากนะถ้าเรามีศรัทธาในคําสอนหมวดนั้นๆ น, นนะแล้วตั้งใจปฏิบัติตามนั้นแหละก็จะเห็นว่าเกิดไม่ยากนะถ้าถ้ามีศรัทธาที่จะเจริญในปุสโสธรรมหมวดนั้นๆแต่จะว่าให้ยากก็ยากเงี้ยนะทานข้าวก็ยากวันก่อนสนทนากรโยมพวกกันว่าไอ้ต้มยําถ้วยหนึ่งนี่มันทานยากนะ <c oughs> บอกทําไมมันยากคุณจะไปปลูกตะไคร้ขนาดไหนมันจะโตมาเป็นกอได้มาต้มยำใบมะกรูดไปจะออกมาใบหนึ่งต้องต้องปลูกเท่าไหร่ใช่ไหม เหดหอมสักเดดอกนึงหรือว่าไรก็แ้วกัเห็ดเห็ดฟางอ่ะนะกว่าจะเพาะมาได้เนี่ยแล้วกระทะไฟฟ้ากว่าจะผลิตปั่นขึ้นมาถ้าหากว่าเราใช้เตาแก๊สเนี่ยแล้วเมื่อเตาแก๊สไปเอามาจากไหนอ่ะพมกมันต้องกินกันแล้วคือที่เป็นมิจฉาสติก็คือเวลาเรานึกถึงสิ่งใดแล้วอกุศลจิตมันเกิดนั่นแหละเป็นมิจฉาสตินะคือสติเป็นลักษณะของการการระลึกนั่นเนี่ยแต่ว่าเมื่อคิดไปแล้วเนี่ยนึกถึงปั๊บ อกุศลแลจิตเกิดนั่นแหละเป็นมิจฉาสติแล้วคือเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องมีความชัดเจนในเรื่องของกุศลก่อนใช่ไหมอกุศลนั้นต้องเป็นไปกับทานศีลภาวนาภาวนาก็คือถ้าเป็นพวกเรานะต้องเป็นไปกับพระธรรมคําำคำสอนหมวดใดหมวดหนึ่งนั่นแหละคือภาวนานึกแล้วปั๊บเป็นไปกับคําสอนหมวด น, นี้นะคําสอนหมวด น, นี้กล่าวไว้อย่างนี้พระองค์ทรงชี้ว่ายอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตรึกถ้าตรึกเป็นไปไ ป, ไปตามนี้เป็น เป็นไปกับอกุศลถ้าตตรึกในเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่ไม่มีธรรมะด้วยมีเป็นอกุศลเช่นนึกถึงบางอย่างนึกแล้วโลภะมันเกิดนะถ้าคนที่สังเกตตัวเองมากๆเลยนะโลภะเกิดปุ๊บจะรู้เลยนะเวทนาจะเป็นแบบนี้แบบนี้แพ่จิตตชรูปแบบนี้เกิดขึ้นทันทีเลยนะถ้าโทสะเกิดปุ๊บนะจิตตชรูปจะเป็นลักษณะไหนนะสังเกตสา ม, มารถทบทวนแล้วก็บางทีก็พิจารณาเรื่องรูป ของตัวเองก็พอรู้ได้ถ้าสังเกตว่าจิตเป็นไปกับโลภะโทสะโมหะหรือเปล่าแต่ก็กุศลและจิตต้องเกิดนานแน่นหน่อยนะเพราะกุศลเหล่านี้แหะเป็นตัวมีนิชยัยถ้ากุศลไม่เกิดเอาอะไรมาวินิจฉัยมันก็มันก็สรุปแล้วมันก็ไม่มีสตินั่นแหละแต่ถ้ามีสติปุ๊บจะค่อยๆจเจริญแต่ทีนี้คนที่จะมีสติได้ดีนะอาศัยธรร ม, มานุสตินะถ้าตรงนี้นะเน้นมากก็คือธรร ม, มานุสติ ทำมนุสติก็คือปรารภถึงพระธรรมสักหมวดหนึ่งเถอะนะคิดเรื่องอะไรแล้วก็นึกถึงพระธรรมเออพระธรรมกล่าวถึงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างเราควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกตามพระธรรมอันนี้เขาเรียกว่ามีพระธรรมเป็นสารณะแบบเขาเรียกว่าผู้ที่มอบกายถวายชีวิตให้แก่พระธรรมใช่ไหมคนที่บอกว่าเออฉันมอบกายถวายชีวิตให้แก่พระธรรมแล้ว น, นะพระธรรมบอกให้ทํำยังไงกับเรื่องนั้นๆนั่นแหละแล้วเราจะรู้ว่าหน้าที่ในการปฏิบัติในเรื่องนั้นนน่ะควรทํำยังไง ดันั้นความรับผิดชอบชั่วดีจะเกิดขึ้นในขณะนั้นเรียกว่ามีสติแต่ทีนี้จะปฏิบัติได้มากขนาดไหนอยู่ที่ปัญญาเข้าใจในเรื่องนั้นๆมากจะปฏิบัติในเรื่องนั้นๆมากเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเพื่อเกื้อกูลต่อสติปัญญานั้นจึงมีประโยชน์มากคําว่าฟังในที่นี้ไม่ได้แปลว่าใช้หูอย่างเดียวอ่านด้วยนะถ้าเราไม่อ่านไม่ฟังก็พยายามเอามาขบคิดเราคิดอยู่แล้วเนาะใครไม่คิดบ้ง ใช้ความคิดอยู่แล้ววันๆหนึ่งนะนอนไม่หลับยังคิดเลยเน้อเมื่อมันมันตั้งมันต้องคิดอย่างนี้แล้วถามว่าคิดยังไงจึงจะดีคิดอย่างไรจึงจะมีประโยชน์ถ้าเราปล่อยความคิดเลื่อยเปื่อยนะนั่นแหละคือคนไม่มีสารณะเขาคิดแบบนั้นแหละะเราจะเห็นว่าโอ้โหนี่คนไม่มีสารณะคิดอย่างนี้เลยแต่ถ้ามีสารณะปั๊บนะจะคิดถึงลูกพระองค์ก็ไม่ได้ห้ามว่าอยากคิดถึงลูกนะ แต่คิดแบบคนมีสติเนี่ยคิดยังไงคิดแบบรับผิดชอบชั่วดีควรทํากิจยังไงจึงจะเหมาะสมตามธรรมในเรื่องลูกคิดเรื่องงานพะอก็ไม่ได้ห้ามวะอย่าไปคิดนะแต่คิดยังไงจึงจะถูกต้องในเรื่องงานคิดถึงเรื่องครอบครัวคิดถึงเรื่องบ้านเรื่องช่องเรื่องทั้งหมดแหละหลักที่ถพระองค์สอนพระพุทธเจ้านะสอนไม่ใช่สอนเฉพาะเรื่องปรมาทสัจจะเรื่องอนิจจังอย่างเดียวแต่ก่อนที่จะสอนเรื่องอนิจจนะ พระ อ, องค์สอนเรื่องกรรมมาก่อนก่อนที่จะสอนเรื่องกรรมนะพระ อ, องค์สอนเรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องทั่วไปมาก่อนเพราะฉะนั้นจริยธรรมต้องดีพอสมควรกุศลแลจิตต้องเกิดหนานแน่นปูพื้นฐานในการเจริญกุศลให้แก่ตัวเองค่อนข้างมากหรือว่าสติที่ปรารบเรื่องของกรรมและผลของกรรมก็ได้ใช่ไหมเพราะเป็นวิบากและกรรมมาชรุกหรือปรารบถึงเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะลงไปในขณะนั้นๆก็ได้ นั่นก็คือเป็นเรื่องของการมีสติแต่อย่างน้อยที่สุดนะถ้าเป็นทานะกุศลก็คิดจะให้สักอย่างหนึ่งถ้าเป็นศีลกุศลก็คิดในเรื่องของสังวรคือไม่คิดในเรื่องของเกี่ยวกับเป็นบาปถ้าเป็นลักษณะศีลของกุศลเป๊บนะคิดยังไงรู้ไหมข้าสมโยมผู้การมีอายุมากหน่อยใช่ไหมเ<ม>ออนี่เป็นคุณลุงนะหรือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์นะให้ความยำเกรงความคิดยำเกรงแบบนั้นเนี่ยเป็น สีลกุสลจะเกิดขึ้นนะความคิดลักษณะนั้นเป็นสีลกุสลถ้าเป็นภาวนากุสลนะคำสอนเกี่ยวกับเรื่องเมตาก็จะเข้ามาจะเจริญเมตตายังไงเออขอให้ท่านผู้เจริญเป็นผู้มีความสุขความเจริญนะให้ศึกษาพระธรรมคำสอนเข้าใจมากขึ้นนะความคิดใน ล, ลักษณะนี้แนวเนี้ยที่เป็นความคิดเชิงสร้างสรรในบุคคล น, นี้นั้นเป็นเมตตาถ้าจะเป็นวิปัสสนาปั๊บก็ การนี้ประกอบด้วยประมต ธ, ธรรมอะไรบ้างใช่ไหมถ้าทางตาสีสีอันนั้นเป็นสีบางอย่างเป็นกรร ม, มชรูปกกรร ม, มชรูปนั้นเนี่ยกรรมชนิดไหนจึงเป็นปัจจัยแบบนั้นเพราะวิจัยในเรื่องกรรมเรื่องขันเรื่องท่าเรื่องอายตนะลงไปแปลอีกภาษาหนึ่งว่าสองข้อเก้าประเพณลงในตรงนั้นน่ะนะความรู้ประเพณที่หนึ่งผู้การมีจิตกี่ดวงนะที่นั่งอยู่เนี่ยนั่งด้วยจิตชนิดไหนใส่ใจอย่างนี้ก็ได้ มันก็จะเป็นไปกับผู้สนมากๆแต่ถ้าคิดเจริญนะมาว่าไม่ยากสามารถที่จะเจริญได้ง่ายๆอันะถ้ามีศรัทธานะเขาบางท่านก็บอกถ้ามีศรัทธานะคิดจะย้ายภูเขาทั้งลูกยังได้เลยเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรบ้างที่ทําไม่ได้พระองค์บอกว่าชายคนหนึ่งเขามีศรัทธาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเขายังทําได้เลยอั้นของเราศรัทธาที่จะปฏิบัติตามคําสอนเหล่านี้ทําไมจะทําไม่ได้นะเวลาก็หมดแล้วนะครับ ผมตั้งคำถามว่าถ้าผู้ใดไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยสติมีมากไหมสติเกิดได้มากไหมสติเกิดได้ง่ายไห ม, เ, มเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ศึกษาธรรมะน่ะเขาเห็นโทษเ <class> ห็นภัยของกิเลสไหมยังไม่เห็นไม่เห็นใช่ไห ม, ไมแต่ถ้าศึกษาธรรมะแล้วเราเห็นโทษของภัยของกิเลสใช่ไหมเราจึงมีสติเกิดขึ้นได้บ่อยๆใช่ไหมเราเห็นโทษเราไม่ศึกษาธรรมะเราเห็นโทษ เห็นภัยของวัฏฏะไหมไม่เห็นแต่รู้ควาเกิดใช่ไหมแต่เห็นโทษของกิเลสเห็นโทษของภัยของวัตตาเนี่ยเราก็มีทางเดียวอ่ะคืออะไรที่จะหนีสิ่งเหล่านี้ให้พ้นจากโทษสิ่งเหล่านี้คืออะไรก็ละสตัวเจริญสติปัฏฐานครับแต่มันยังไม่ถึงเจริญสติไม่ถึงเพราะในส่วนตรงนี้นั้นเราต้องมีความชัดเจนในเรื่องกรรมมากๆสมมุตินะถ้าหากว่าคนที่จะเจริญสติปัฏฐาน การมองเห็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์นะสมมติว่ามองเห็นสีปั๊บเนี่ยต้องวินิจฉัยในเรื่องอะไรเป็นกรรมและผลของกรรมอย่างชัดเจนก่อนรู้ว่าเออสิ่งเหล่านี้เป็นผลของกรรมนันเป็นวิปากวัิอะไรจิตเห็นภาษาเวทนาตาเป็นสายวิปากวัิเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะเห็นในชาวนะเป็นกรร ม, มวัต ถ้าเจตนาคิดด้วยอคติอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกิเลสวัฏแล้วชีวิตเนี่ยมันที่สุดอยู่ที่ไหนทั้งคนที่ที่จะอบรมสติปัฏฐานจะวินิจฉัยเรื่องนี้อย่างละเอียดเลยจะเริ่มวินิจฉัยเริ่มแล้วจะเห็นโทษในเรื่องผลของกรรมก็น่ารังเกียจตัวกรรมก็น่ากลัวอี ก, กิเลสเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยยิ่งน่ารังเกียจมากมายมหาศาลก็เริ่มแยกแยะแต่ละขณะแต่ละขณะเพราะงพวกนี้มันเหมือนกับพ้ อ, องว่าเหมือนกับฐานชักอ่ะ ซึ่งมันรกมากดันั้นสภาพที่จิตเป็นไปกับ อ, า, อากุศลเนี่ยมันรกชัดมากและตัณหาเหมือนกับขา่ายมันเกิดหู้ยหนานแน่นกับอารมณ์ต่างๆดันั้นถ้าเราค่อยๆแยกแยะโดยเอาเรื่องกรรมมานี่แหละมาวินิจฉัยก่อนอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมจิตขณะไหนเป็นกุศลเป็นอากุศลถ้ากุศลมีโทษไหมอากุศลมีโทษไหมถ้าพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆนะแล้วจะกระตุน้นเตือนให้เจริญกุศลธรรมเองเพราะว่า ถ้าทุกคนมั่นคงในเรื่องกรรมอนนะนฮีรโอตปะจะเกิดขึ้นโอ้นี่เร า, เราทาเราควรรับทั้งนั้นเลยเนี่ยใช่ไหมฮีรโอตปะก็จะเกิดขึ้นกลัวผลของการกระทำอันนั้นเสร็จแล้วเอ๊เราจะปล่อยให้จิตเราเป็นบาปไปอย่างนี้อีกนานไหมฮีเรก็เกิดขึ้นเคารพตัวเองเพิ่นอันฮีรโอตปะเกิดมากขึ้นกุศลธรรมอื่นๆก็จ ะ, จะเจริญงอกงามไพ่บูนขึ้น ทันผู้ที่เข้าใจเรื่องกรรมดีอยู่แล้วนั่นแหละเขาจึงปารบเจริญสติปัฏฐานเพราะว่าสติปัฏฐานนั้นคือสติที่ตั้งมั่นในฐานคือกายเวทนาจิตธรรมแล้วปัญญาเป็นตัวตามเห็นกายเวทนาจิตธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนะท่านถ้าสติปัฏฐานเนี่ยนะถ้าเต็มคำคราว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานใช้คำเต็มเลยนะกายาคือกายรู ป, ปกาย กายานุปัสนาอนุปัสนาที่ตามเห็นกายนะกายานุปัสนามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้นะถ้าเอ า, เอาคำทั้งคำมาเลยป๊บแล้วพิาเอาคำสอนอันนี้สงเคราะห์ลงในอารมณ์สักอารมณ์หนึ่งจะรู้ว่าในขณะนั้นเมื่อสติสัมโพชฌงมีอยู่ณนะภายในจิต ก็รู้ชัดว่าสติสัมโพชงมีอยู่ณภายในจิตสติสัมโพชงไม่มีณภายในจิตก็รู้ว่าสติสัมโพชงไม่มีอยู่ณภายในจิตสติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดเนี่ยจะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยสติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะบริบูรณ์ด้วยประการใดก็รู้ชัดด้วยประการนั้นด้วยพิจารณาเห็นสติเนี่ยนะเรียกว่าธรรมในธรรมอย่างเนี้ย เป็นภายในบ้างเป็นภายนอกบ้างทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างเห็นความเกิดของธรรมะอันนี้บ้างเห็นความเสื่อมของธรรมะอันนี้บ้างเห็นทั้งความเกิดทั้งความเสื่อมและก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกคืออุปาทานขันห้าอันนี้ได้นั่นแหละนั่นก็คงจะใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้